การปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุธรรมขั้นต่างๆสำหรับบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่ายากบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าง่ายบางท่านก็บรรลุเร็วบางท่านก็บรรลุชา้าทําไมจึงเป็นอย่างนี้ เพราะความสามารถในการปฏิบัติของแต่ละท่านนั้นมีมากน้อยต่างกันนั่นเองการปฏิบัติจึงมีความยากง่ายต่างกันมีการบรรชุบรรุช้าเร็วต่างๆเหตุที่ทำให้มีการปฏิบัติยากง่ายหรือบรรุช้าเร็วนี้ ไม่ได้อยู่ที่อายุไม่ได้อยู่ที่เพศบางคนอายุน้อยสา ม, มนเณรบรรลุธรรมก็มีบางคนบวชมาเป็นหลายสิบปีเป็นพระเถระไม่บรรลุธรรมก็มีสาเหตุที่ทำให้มีความแตกต่างกันนี้ อยู่ที่กิเลสตัณหาของแต่ละคนว่ามีมากมีน้อยมีหนามีบางและอยู่ที่การบรรลุธรรมช้าหรือเร็วอยู่ที่สติปัญญาของผู้ปฏิบัติแต่ละท่านว่า มีปัญญาแหลมคมหรือปัญญาทึบเนี่ยถ้าปัญญาทึบก็จะช้าถ้ามีปัญญาแหลมคมก็จะเร็วจึงมีการแยกแบ่งผู้ปฏิบัติไว้เป็นสี่จำพวกด้วยกัน คือหนึ่งผู้ที่ปฏิบัติง่ายและบรรลุเร็วนี่เป็นพวกที่หนึ่งพวกนี้เป็นพวกที่กิเลสบางปัญญาแหลมคมมีความฉลาดแหลมคมจึงทำให้การปฏิบัติง่ายเพราะไม่มีอุปสรรคมาขวางกัน้น อุปสรรคที่ขวางกั้นของการปฏิบัติที่ทําให้มันยากก็คือกิเลสตัณหานี่เอถ้ากิเลสตัณหาน้อยอุปสรรคก็น้อยการปฏิบัติก็ง่ายถ้ากิเลสตัณหามากมันก็จะมีอุปสรรคมากจะทําให้ เกิดความยากในการปฏิบัติอุปสรรคที่กิเลสสร้างขึ้นมาคืออะไรก็คือนิวรนะฮประการนี้นิวรนี้เกิดจากกิเลสตัณหาความอยากหรือความหลงความโง่โมหกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลง ความหลงจะสร้างอุปสรรคคือความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีความมั่นใจในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่แน่ใจว่าจะถูกหลอกหรือเปล่าก็เลยลังเลสงสัยปฏิบัติแล้วจะได้ผลอย่างที่สอนมาหรือเปล่า อันนี้เกิดจากความลังเลสงสัยเกิดจากโมหะความหลงหรือความไม่รู้ไม่ศึกษาธรรมะอย่างถ่องแท้ก็เลยไม่มั่นใจกิเลสอนนิวรณอีกตัวที่กิเลสสร้างขึ้นมาก็คือกามฉันทะ ความอยากเสกรูปเสียงเกล่นรถต่างๆจึงทำให้เวลาที่จะต้องมานั่งสมาธินี้รู้สึกอึอดอดัดนำคานแน่นหน้าอกปวดศีษะนั่งแล้วไม่มีความสุขไม่เหมือนกับนั่งดูหนังดูละคระเวลานั่งดูหนังดูละครนี้นั่งได้เป็นชั่วโมง ดูทีละหลายๆเรื่องดูได้ไม่รู้สึกอึดอัดสบายเพราะชอบพราะอยากดูรูปเสียงได้สัมผัสกับรูปเสียงต่างๆนั่นเองพอไม่ได้สัมผัสก็จะรู้สึกอึอ ด, อดอัดขึ้นมาวันไหนไฟดับละครไม่ได้ดูนี่จะรู้สึก อ, อ, อึดอัดขึ้นมาในใจนี่คือตัวที่มาสร้าง ความยากให้กับผู้ปฏิบัติตัวที่สองก็คือการมฉันท่าตัวที่สามก็คือความโกรธเวลาโกรธใครแล้วนี่ไม่มีอารมณ์ที่จะมานั่งสมาธิมันจะคิดแต่เรื่องของความโกรธคิดถึงเรื่องที่ทําให้ตนเองโกรธแล้วอยากที่จะล้างแค้นอยากที่จะ ทำให้ความโกรธหายไปจะมาให้นั่งสมาธิพุทธโธพุทธโธก็นั่งไม่ได้เพราะความโกรธมันเหยียบย่ำหัวใจอยู่ตัวที่สี่ก็คือนิวนตัวที่สี่ก็คือความง่วงหนาวง่วงนอนง่วงเหงาหาวนอนอ่อนั่งสมาธินี้เริ่มเคลิ้มเลย เถาวก่อนนะส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การกินมากเกินไปกินอาหารมากหนังท้องตึงหนังตาก็จะหย่อนสังเกตดูพวกที่นั่งสมาธินิอคับนั่งแล้วคอพับนั่นนะคืนนอนิวรนะ์ ชอบความสบายเวลาปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติแบบสบายมีเบาะนั่งรองรับมีห้องปรับอากาศให้เย็นสบายพอมันสบายมันก็เคลิ้มมันก็อยากจะหลับนี่ตัวที่สี่ดีวอนตัวที่ห้าก็คือความคิดฟุ้งซ่านนี่ คิดไม่หยุดไม่หย่อนคิดถึงเรื่องนั้นคิดไปเที่ยวที่นั่นคิดไปเที่ยวที่นี่ไปซื้อข้าวซื้อของไปช้อปปิง้งไ ป, ไปกินไปดื่มไปอะไรเลยคิดถึงเรื่องปัญหาต่างๆที่ยังคาลาคาสังอยู่ในใจอยู่คิดแล้วก็ทําให้จิตใจฟุ้งซ่านขึ้นมาพ อ, อจะนั่งสมาธินี้นั่งไม่ได้ นั่งแล้วสิกมันไม่ยอมอยู่กับพุโทโธมันไม่ยอมอยู่กับลมหายใจเข้าออกมันจะอยู่กับเรื่องที่กิดฟุ้งซ่านอยู่นั่นเนี่ยอยันนี้คือลักษณะของความยากของการปฏิบัติเกิดจากนิวรเกิดจากกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่าง จึงทำให้เป็นการปฏิบัติที่ยากแต่สำหรับผู้ที่มีกิเลสบางก็จะไม่มีอุปสรรคมากก็จะปฏิบัติง่ายทำจิตใจให้สงบได้ง่ายนั่งสมาธิแล้วไม่มีนิวรณ์นั่งพับก็มีสติอยู่กับพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออก บางท่านนั่งครั้งแรกห้านาทีก็สงบก็ไม่ไม่เคยนั่งมาก่อนพออาจารย์บอกให้นั่งพุโทโธพุโทโธไปก็นั่งพุโทโธไปไม่ได้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีความฟุง่งซ่านไม่มีความโกรธใครไม่มีความอยากจะไปดูอะไรไปทำอะไรไม่สงสัยในคาสอนว่าพุโทโธคำเดียวนี้มันจะทำให้ใจสงบได้อย่างไร เชื่ออย่างสนิทใจพอบอกให้พูดโทพูดโทก็พูดโทอย่างเดียวไม่คิดถึงเรื่องอะไรทั้งสิน้นห้านาทีจิตก็ลวกจิตก็รวมได้มีในประวัติที่หลวงตามหาบัว ท, ท่านเขียนเกี่ยวกับแม่ชีคนหนึ่งตอนนั้นยังไม่ได้บวชเป็นเด็กหญิงสาวหนุงปู่มั่นท่านไปโปรดทุดงอยู่ใกล้หมู่บ้าน แล้วเวลาเขาเอาอาหารมาถวายท่านท่านก็จะเทศสอนให้ภาวนาพุโทโธพุโทโธเธอได้ยินก็ลองไปประธรรมเดียวนั่งเฉยๆแป๊บเดียวพุโทโธห้านาทีบอกจิตมันรวมแต่กาไม่รู้ว่าจิตรวมแกคิดว่าแกนั่งหลับเพราะแกนั่งแล้วไปเห็นเหตุการณ์ต่างๆก็คิดว่าเป็นการนั่งหลับ หลวงปู่ท่านก็บอกว่าอันนี้แหละเป็นสมาธิแต่เป็นสมาธิที่ยังไม่ถูกเป็นสมาธิที่ยังไม่สงบแบบว่างเปล่า น, นี่คือลักษณะของผู้ที่มีกิเลสบางอาจจะเป็นพ่อหนึ่งอยู่ในป่าเป็นชาวบ้านอยู่ ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงจากเครื่องล่อใ จ, จต่างๆเป็นชาวบ้านชาวนาชาวไร่ธรรมดาเลยไม่มีกิเลสอะไรมายั่วยวนขวนใจมากพอเวลานั่งก็เลยสงบได้ง่ายอันนี้คือเรื่องของความยากง่ายของการปฏิบัติ อยู่ที่กิเลสหนาหรือบางของแต่ละคนมีกิเลสมากก็จะยากมากมีกิเลสน้อยก็จะยากน้อยจึงมีเป็นมีผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติง่ายกับปฏิบัติยากผู้ที่ปฏิบัติง่ายแล้วก็บรรลุเร็วนี้ก็ขึ้นอยู่กับ นอกจากกิเลสบางแล้วก็มีปัญญาที่ฉลาดแหลมคมเข้าใจฟังธรรมะแล้วเข้าใจง่ายฟังอริยสัจสี่ก็เข้าใจฟังเรื่องไตลักก็เข้าใจฟังเรื่องขันห้าก็เข้าใจพอฟังปุ๊บก็เข้าใจปับ๊บก็บรรู้ได้ทันทีเรียกว่า บ, บัรลูเร็ว บางพวกฟังแล้วงงขันเป็นอะไรขันตัดน้าหรือขันขันอะไรต้องมาตีความอีกต้องมาค้นหาความหมายของแต่ละคำรูปเป็นอะไรรูปประขันเป็นอย่างไรสัญญาขันเป็นอย่างไรสามขันขังเป็นอย่างไรเวทนาขันเป็นอย่างไรเวียนญาณขันเป็นอย่างไร ทุกเป็นอย่างไรสมุไทยเป็นอย่างไรไดโรดเป็นอย่างไรมักเป็นอย่างไรบางคนนี้พอฟังก็เข้าใจเข้าใจฉลาดแหลมคมพูดคําเดียวก็รู้เรื่องบางคนต้องปากเปียกปากฉีกพูดแล้วพูดเอกีกซ้ําแล้วซ้ําอีกกว่าจะล้างอ๋อฮ อ, อเข้าใจนะ้วใช้เวลานาน ก็เหมือนกับเด็กที่เรียนในหนังสือเรียนในห้องเรียนเด็กบางคนฟังอาจารย์สอนปั๊บก็เข้าใจเวลาสอบก็สอบได้ได้คะแนนดีเด็กบางคนฟังแล้วไม่เข้าใจเวลาสอบก็สอบไม่ได้ตอบทาข้อสอบไม่ได้อันนี้ขึ้นอยู่ที่สติปัญญาว่าแหลมคมลื่นหนาทึบนั่นเอง การบรรลุธรรมต้องใช้สติปัญญาการทำใจให้สงบในต้องใช้ความพยายามควบคุมจิตใจให้เข้าสู่ความสงบต้องควรฝ่านิวรณต่างๆให้ได้ถึงจะสงบได้การปฏิบัตินี้มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับสมาธิกับระดับปัญญา ระดับสมาธินี้อยู่ที่ยากง่ายยากง่ายนี่อยู่ที่กิเลสหนาบางตันหามากกิเลสตันหามากก็จะมีอุปสรรคมากก็จะทำให้ยากต่อการทำใจให้สงบถ้ามีกิเลสน้อยมีเรื่องน้อยก็จะสงบง่ายส่วนพอได้สมาธิแล้วพอไปขั้นปัญญา ก็ต้องมีความฉลาดรู้จักแยกแยะรู้จักเรียนรู้ว่าสิ่งที่ต้องรู้นั้นมีอะไรเป็นอย่างไรพอเรียนปั๊บรู้ก็รู้ทันทีเช่นอนิจจังไม่เที่ยงอะไรเป็นอนิจจังอะไรความไม่เที่ยงเป็นอย่างไรความไม่เที่ยงก็มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองไม่เหมือนเดิมเรียกว่าไม่เที่ยง ไม่เหมือนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเใบไม้ถูกลมพัดร่วงลงมานี่ก็คนฉลาดก็เห็นว่าเป็นอ น, นิจจงเลยอ น, นิจจงใบไม้เมื่อก่อนมันก็อยู่ติดกับต้นไม้มีใบสีเขียวต่อมามันก็กลายเป็นสีน้ำตาลสีเหลืองแล้วพอมีลมพัดมามันก็ร่วงลงมา นี่ก็เห็นอนิจจังและวําหรับบางคนบางคนเห็นดอกไม้ที่บร์ที่บานพ อ, อามาปักที่แจกันไม่กี่วันเอามันก็เฉาเสร็แล้วมันก็ร่วงโดยไปบางคนก็ดูย้อนมาดูที่ร่างกายร่างกายก็เหมือนกับใบไม้นี่เองเหมือนกับดอกไม้นี่เองเดี๋ยวมันตอนต้นมันก็ มันก็เบิกบานมันมันเวลามันโผล่ขึ้นมาใบ ไ, ไม้โผล่ขึ้นมาจากบนกิ่งไม้ด้วยดอกไม้โผล่ออกมาจากต้นมันก็ดูแข็งแรงสวยงามพอทิ้งไว้สักระยะหนึ่งต่อไปมันก็เริ่มเหี่ยวนี่ก็แปลว่าอนิจจงเนี่ย ท่านบอกว่าสับเบสามขาลานิจานี้ก็ต้องเข้าใจแล้วสับเบแปลว่าอะไรแปลว่าทั้งหลายทั้งปวงสังขารแปลว่าอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของดินน้ำลมไฟนอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าดินน้ำลมไฟเป็นยังไงปรุงแต่งอย่างไรจึงทําให้ เกิดเป็นสังขารเช่นใบไม้ต้นไม้นีก็มาจากการปรุงแต่งของดินน้ำนมฝอยการผสมปรุงแต่งเหมือนกับอาหารที่เราทํารับประทานนี้มันก็เกิดจากการผสมปรุงแต่งของอของเครื่องปรุงต่างๆของส่วนประกอบของอาหารเราทําอาหารเราก็ต้องมีผักมีเนื้อมีน้ามี เครื่องปรุงแต่งอะไรต่างๆเนี่ยเอาเราเอามาผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังขารเนี่ยอาหารที่เรากินนี่ก็เป็นสังขารอย่างหนึง่งร่างกายของเราก็เป็นสังขารอย่างหนึง่งฮะมันก็มาจากการปรุงแต่งต่างๆเหมือนกับอาหารที่เรากินนะแล้วมันก็ไม่เที่ยงอาหารพอกินเข้าไปมันก็เปลี่ยนสภาพไป อย่างอาหารที่น่าอเรเฉดอร่อยโอชะก็กลายเป็นอาหารที่ไม่น่ารับประทานไปถ้าคายออกมาจากปากนี่ก็ไม่มีใครกินนะถ้าอาเจียนออกมาจากท้องก็ไม่มีใครอยากจะแตะมันเปลี่ยนไปจากเป็นสิ่งที่น่ารักน่าชอบกลายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไปสังขารทุกชนิดเป็นอย่างนี้เวลามันเกิด มันจะน่ารักน่าดูน่าชมแต่พอเวลามันมันเสื่อมมันจะกลายเป็นของไม่น่ารักไม่น่าชมไปร่างกายของเราก็เป็นสังขารปรุงแต่งด้วยดินน้ำลมไฟในท้องแม่ก่อนออกจากท้องแม่มาก็มาปรุงแต่งต่อด้วยการหายใจเข้าออกด้วยการดื่มน้ำด้วยการรับประทานอาหาร โดยการสัมผัสกับอากาศร้อนเย็นต่างๆธาตุไฟแล้วมันก็จเจริญเติบโตเวลามันจเจริญเติบโตก็น่ารักน่าดูแต่พอเวลามันเข้าสู่วัยชราพอมันเริ่มเหี่ยวมันเริ่มแก่มันเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะตายตอนนั้นมันก็กลายเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวขึ้นมา น, นี่คืออนิจจังสัพเพสังขาราอานิจจาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เราจะเรียกว่าเป็นสังขารก็ได้ทั้งหมดรถยนต์ก็สังขารอย่างหนึง่งโทรศัพท์มือถือก็สังขารอย่างหนึง่งบ้านที่เราอยู่ก็สังขารเสื้อผ้าที่เราใส่ก็สังขารยาที่เรารับประทานเข้าไปก็เป็นสังขาร เป็นของปรุงแต่งทามาจากธาตุสีดินลน้ำลมไฟมันไม่เที่ยงเก็บไว้สักพักเดี๋ยวมันก็เก่าเดี๋ยวมันก็เสียไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทุกอย่างต้องไปสู่ความเสื่อมสู่ความสิ้นสุดสู่การดับสู่ความตายคนที่ฟังทม เวลาพระเจ้าบอกสัพเพสังขารานิจารถัชรห า, านี้เข้าใจทันทีแล้วท่านก็บอกสัพเพสังขาราทุกขาเมื่อมันเป็นอนิจจามันก็จะทําให้ใจทุกข์ขึ้นมาทันทีใจทุกข์เพราะไปติดไปอยากให้มันไม่เป็นอนิจจานั่นเองเวลาได้อะไรมาก็อยากจะให้มันดีไปตลอดะ ไม่มีใครอยากให้มันแก่ทุกคนได้นั่งกายมาพอพอจเจริญเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็อยากจะให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวไปเรื่อยๆพอมีความแก่ขึ้นมาปรากฏนิดเดียวก็ทุกข์แล้วเห็นไหมพอผมนี่เริ่มขาวขึ้นมาเพียงเส้นเดียวทั้นเองผมขาวนี่มันทำให้ใจทุกข์ได้เพียงเส้นเดียว สิวฟ้าปรากฏขึ้นมาหน่อยนะทุกข์นะเพราะมันไม่เที่ยงเมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีใช่หไหมแสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างหน้าตาที่สะอาดอาผิวหนังสะอาดสดใสไม่มีรอยตําหนิแล้วเดี๋ยวก็มีสิวมีฝ้าขึ้นม า, าก็เกิดทุกข์ขังขึ้นมาใช่หไหม ที่ทุกข์เพราะว่าอยากให้มันเป็นนิจจังนั่นเองอยากให้มันไม่เปลี่ยนแปลงไม่อยากให้มันเป็นอนิจจ์ความอยากนี้ก็เป็นสมุทัยในอริยสัจสี่ที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทุกข์ใจเพราะอยากให้สวยให้งามทุกข์ใจเพราะอยากไม่ให้มันไม่สวยไม่งาม พอมันไม่สวยไม่งามก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วท่านก็ บ, บอกว่ามันเป็นอนัตตาของต่างๆนี้มันเป็นดินน้ําลมไฟมันเป็นธรรมชาติสเปธ ร, รมมานัตตาของต่างๆนี้ทำมาจากดินน้ำลมไฟอ น, อนัตตาดินน้ําลมไฟเราไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้ เนแม่น้ำที่ลอยอยู่บนท้องฟ้ามันจะตกลงมาแล้วก็ห้ามมันไม่ให้ตกไม่ได้อากาศหนาวเย็นจะห้ามมันไม่ให้หนาวเย็นก็ห้ามมันไม่ได้เวลาอากาศจะร้อนไปห้ามมันก็ไม่ได้นี่แหละเรียกว่าอนัตตาเพราะมันเป็นธรรมชาติมันไม่ได้อยู่ภายใต้อํานาจของเราอัตตาก็คือเรา เราคิดว่าเรามีอำนาจเราสามารถสั่งนู่นสั่งนี่ได้หานู่นหานี่ได้แต่ขอบเขตของความสามารถของเรานี้มันนิดเดียวเท่านั้นเองสามารถเดินไปไหนมาไหนได้ในช่วระยะเวลาหนึ่งพอเวลาที่มันแก่หรือเวลามันเจ็บนี่จะสั่งให้มันเดินตามที่เคยสั่งก็ไม่ได้แล้วต้องนั่งรถเข็นกันใช่ไ นี่ยท่านบอกมันเป็นอนัตตร่างกายนี้เป็นอนัตตาทำมาจากธาตุสี่ดินน้ํำนมไฟดินน้ํำ น, น ม, มไฟเป็นอนัตตาเมื่อมารวมเป็นสังขารมันก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนนี่คือปัญญานความรู้ความฉลาดความเข้าใจในเรื่องของธรรมที่มันเกี่ยวพันเหมือนลูกโซ่เนี่ย ไตล์รักนี่มันไปเกี่ยวพันกับอริยสัจสี่ไปเกี่ยวตรงที่ตัวทุกนี่เองตัวทุกนี่คือความทุกข์ใจความทุกข์ใจก็เกิดจากสมุทัยก็คือตัณหาความอยากภาวะตัณหากามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา응เวลาเกิดกามาตัณหาขึ้นมานี่นั่งสมาธิไม่ได้แล้ว ใจงดเหยียดลำคาห์นใจรู้สึกอึดอัดพรพอถึงเวลาดูละครนะหรือดูอะไรทำอะไรเคยทำอะไรเคยดูอะไรพอถึงเวลามันก็อยากจะดูของมันพอเอามาให้มันนั่งสมาธิมันก็เกิดอาการอึดอัดขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดจากความอยากกา ม, มาตัณหาหรือภาวะตัณหา ก็อยากให้นั่งแบบสบายแต่พอนั่งไปเดียวเกิดจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเกิดการเจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้ก็นั่งไม่ได้แล้วทุกข์แล้วไม่ใช่ทุกข์เพราะร่างกายเจ็บนะทุกข์เพราะอยากให้ความเจ็บหายไปเมื่อความเจ็บมันไม่หายมันก็เลยทำให้ใจยิ่งทุกข์ขึ้นกว่าความเจ็บของร่างกาย ที่นไม่ได้ไม่ใช่ทนกับความเจ็บของร่างกายไม่ได้ทนกับความอยากไม่ได้อยากให้ความเจ็บหายไปมันไม่หายก็อยากจะลุกเนี่ยพออยากจะลุกก็ทนสู้กับความอยากจะลุกไม่ได้ในที่สุดก็ต้องลุกต้องเลิกการปฏิบัติก็เลยหยุดอยู่ตรงนั้น ทุกครั้งนั่งแล้วมาเจอความเจ็บก็ยอมแพ้ยกธงขาวเพราไม่ยอมหยุดความอยากให้ความเจ็บหายไปเท่านั้นเองหยุดความอยากด้วยการปล่อยให้มันเจ็บไปมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเรามาหยุดความอยากด้วยพุทโธพุทโธใช้สติหยุดความอยากหรือใช้ปัญญาหยุดความอยากก็ได้อโดยการพิจารณาว่าความเจ็บนี่มันเป็นอะไร มันก็เป็นสังขารนี่อย่างเลยเหมือนกับร่างกายสัพเพสังขาระอนิจจาเห็นไหมความเจ็บมันก็เป็นเวทนาที่มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกับร่างกายมีทั้งหนุ่มทั้งสาวมีทั้งแก่มีทั้งเจ็บมีทั้งไม่เจ็บมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ที่มันทุกข์เพราะเราไม่อยากให้มันเปลี่ยนเราอยากจะให้มันสุขอย่างเดียวพอมันไม่สุขมันเปลี่ยนไปเป็นทุกข์มันก็เลยทำให้เราทุกข์ังขึ้นมาเพราะความอยากของเราอยากให้มันสุขอย่างเดียวแต่มันเป็นอนัตตาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเป็นดินน้ำลมไฟไปสั่งให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้ ถ้าไปอยากแล้วก็จะผิดหวังจะทุกข์ใจเสียใจแต่ถ้าไม่อยากก็จะไม่เดือดร้อนเห็นตอนนี้เราอยู่กับอากาศได้เพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เราต้องเปลี่ยนเราเปลี่ยนใจของเราจากความไม่อยากให้มันหนาวให้เฉยเฉยเสียปล่อยมันหนาวไปก็อยู่กับมันได้ เวลามันร้อนก็ทำใจให้เฉยๆไปอย่าไปอยากให้มันไม่ร้อนก็จะอยู่กับความร้อนได้ไม่ทุกข์ทุกข์ไม่เกิดเพราะความอยากให้อากาศเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่มีนั่นเองถ้ามีเมื่อไหร่ก็จะทุกข์ขึ้นมาเมานั้นเวลานั่งไปแล้วเจ็บก็พิจารณาความเจ็บเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศไป มันเป็นของมันอย่างนี้แหละฝนตกเราไปสั่งให้มันหยุดไม่ได้เราก็ต้องนั่งรอไปให้ฝนมันหยุดก่อนแล้วค่อยไปทำอะไรต่อไปเวลาเกิดเวทนาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็ปล่อยมันทุกขเวทนาไปถ้าเราไม่มีความอยากให้มันหายมันไม่มีมันไม่มีปัญหานั่งอยู่กับมันได้ไม่ได้สู้กับมันหรอกนั่งอยู่แบบ อยู่กับเป็นเหมือนเพื่อนคำว่าสู้นี่มันหมายคำว่าอยากจะกาจัดมันอยากไม่ได้ต้องอยู่แบบเพื่อนอยู่แบบยินดีต้อนรับเขา mm hmm. เวลาเรายินดีต้อนรับใครนี่เรามีความสุขไหมเวลาเราอยากให้เขาหายนี่มันจะทุกข์เห็นเวลาเราเจอคนที่เราไม่อยากแต่เขาเขาต้องจะต้องเจอเขาก็ทำใจเปลี่ยนใจจากความอยากให้เขา ไม่อยากจะเจอเข้ามาเป็นยินดีตอนรับกันไปพอยินดีตอนรับมันก็รู้สึกสบายไม่เดือดร้อนขึ้นมาแล้วก็จะนั่งอยู่กับความเจ็บได้นี่นี่นี่คือการใช้ปัญญาเปลี่ยนใจพิกใจจากการรังเกียจความเจ็บให้มาหยุดรังเกียจความเจ็บให้ยอมรับความเจ็บว่ามันเป็นสิ่งที่เราไป ถ้ามันไม่ได้ไปกาจัดมันไม่ได้มันมาก็ต้องอยู่กับมันไปมันไปก็อย่าไปอยากให้มันกลับมาเช่นความสุขเวลามันไปก็อยากจะให้มันกลับมาพอไม่กลับมาก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าซ้อยงอยหเหงาอยู่คนเดียวไม่มีความสุข มันไม่ได้ที่มันทุกข์มันไม่ได้ทุกข์เพราะว่ามันไม่มีความสุขที่มันทุกข์เพราะมันอยากให้ความสุขกลับมาแล้วมันไม่กลับมาอนี้ถ้าไม่ได้อยากให้ความสุขนั้นกลับมามันก็ไม่เดือดร้อนมันก็อยู่เฉยๆมันกลับเวลาที่มันอยู่กับความทุกข์ได้เนี่ยอันนี้คือปัญญาต้องพิจารณาเวทนาว่ามันเป็นอนิรจังเนี่ยเหมือนร่างกาย มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันมีอยู่สามชนิดด้วยกันมีสุ ข, ขเวทนามีทุกขเวทนาแล้วมีไม่สุขไม่ทุกขเวทนาเนี่ยวั น, ว, นวันหนึ่งเราเจอสามตัวนี้ตลอดเวลาแต่ส่วนใหญ่เวลาเราเจอเรามักจะพยายามที่จะไปจัดการกับมันพอเจอทุกขเวทนาก็ต้องหาวิธีกำจัดมัน บางทีก็กาจัดได้ถ้ากาจัดไม่ได้ก็ อ, อารมณ์เบี้ยวบูดเนี่ยวันนั้นก็อารมณ์เบี้ยวบูดถ้าทำอะไรตามใจได้ก็อารมณ์เบี้ยวบูดก็ไม่มีพอทำอะไรตามใจไม่ได้ก็เกิดอารมณ์เบี้ยวบูดขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราหัดทาใจปรับใจให้รับกับเวทนาทั้งสามนี้สุขก็้ารับมัน ไม่สุขไม่ทุกข์ก็รับมันทุกข์ก็รับมันเหมือนกับเรารับอากาศเนี่ยเช้าก็เย็นกลางวันก็เริ่มร้อนขึ้นมาบ่ายก็ร้อนนอนน้อยหน่อยเย็นก็กลับมาเย็นใหม่มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของธรรมชาติพยายามมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องของ การเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของดินน้ํำลมไฟนี่ทั้งนั้นนะ่ะร่างกายเราก็มีดินน้ํำลมไฟมันดินน้ํำลมไฟในร่างกายเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็เลยทําให้เกิดทุกขเวทนาสุ ข, ขเวทนาไม่สุขไม่ทุกขเวทนาขึ้นมาอยู่ดีๆมันก็หิวขึ้นมาเห็นไหมธาตุสีดินน้ํำลมไฟมันเริ่มขาดมันก็แสดงอาการหิวขึ้นมา ขาดน้ำาก็หิวน้ำขาดธาตุดินขาดอาหารก็ขาดอาหารก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาพอได้กินได้ดื่มทุกขเวทนานั้นก็ดับไปหายไปแต่ถ้าต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่มีกินไม่มีดื่มจะทำยังไงก็ต้องทำใจทำใจอย่าไปอยากให้มันหายเดี๋ยวมันก็หายของมันไปเองเดี๋ยวเวทนา จากทุกมันก็หายไปได้ทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินน้ำํำเมื่อมันถึงเวลาของมันแล้วมันก็จะหยุดแสดงอาการของมันไปหรือมันแสดงอาการเราก็ไม่เดือดร้อนถ้าเรารู้จักทําใจให้อยู่กับมันทําใจให้เฉยๆปัญหาของพวกเราคือทําใจเฉยๆไม่เป็นใจของเราชอบมีปฏิกิริยากับเวทนา เวลาสุขกเวทนาก็ดีใจอยากให้มันอยู่ไปนานๆนนเวลาเกิดทุกขเวทนาก็เสียใจอยากจะให้มันหายไปเร็วๆเวลาเกิดไม่สุขไม่ทุกขเวทนาบางทีก็เกิดความเบื่อไม่มีรสไม่มีชาติดมันก็ทำให้ใจเราวุ่นวายตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้จักทาใจให้วางเฉยนั่นเอง การมาปฏิบัติธรรมนี้เป้าหมายที่แท้จริงก็เนี่ยมาฝึกใจมาสอนใจให้เข้าเกียร์ว่างกันตอนนี้ใจเราไม่มีหาเกียร์ว่างไม่เจอมีแต่เกียร์เดินหน้าหรือถอยหลังเวลาเจออะไรชอบก็ใส่เกียร์หน้าลุยใช่ไหมเอามาเลยเอามาเลยเวลาเจอของที่ไม่ชอบก็ใส่เกียร์ถอยหลังถอยเลยมันก็เลยวุ่นวาย บางทีสายเกยยวหน้าเข้าไปแล้วตามไม่ทันเนี่ยอยากจะได้สิ่งที่เราอยากได้กลับไม่ได้ก็เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายขึ้นมาเจอสิ่งที่ไม่ชอบเข้าเกียวถอยหลังมันก็ตามมาอยู่นั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตขึ้นมาแต่ถ้ารู้จักทำใจให้เฉยๆให้เข้าเกียวว่างปล่อยให้มันมาให้มันไปของมันเองแล้ว มันทุกอย่างมันไม่ได้อยู่เที่ยงแท้แน่นอนมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปสุกรเวทนามาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปทุกขเวทนามาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปไม่สุขไม่ทุกมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเราไม่เห็นจะต้องไปวิ่งหนีไปวิ่งไล่มันให้เหนื่อยอยู่เฉยๆสบายที่สุด มานั่งทำใจให้เฉยเนี่ยมาฝึกสมาธิเนี่ยมาพุโทโธพุโทโธกันมาทำให้ใจนิ่งพอนิ่งสงบแล้วใจจะเป็นอุเบกขาเนี่ยอุเบกขาก็คือวางเฉยได้ไม่รักไม่ช่างเจอเวทนาสุขเวทนาก็ไม่รักเจอทุกขเวทนาก็ไม่ช่างเจออะไรที่จะมาทำร้ายร่างกายก็ไม่กลัวเฉย เพรใจไม่ได้เป็นร่างกายใจมันเป็นผู้รู้ผู้คิดแค่นั้นเองมันรู้ว่าไม่มีอะไรมาทํามันได้ถ้ามันเฉยมันอยู่กับความเฉยเราจะสบายนอันนี้เฉยก็เฉยได้สองระดับระดับแรกก็เฉยด้วยสติเช่นเราให้เราเลึกถึงพุทโธพุทโธพุทโธไปเวลาใจไม่เฉยเวลานั่งแล้วเจ็บ อยากจะลุกเนี่ยถ้าอยากจะนั่งต่อต้องพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปอยากลุกเนี่ยเวลาความอยากลุกมันก็เกิดจากความคิดเนี่ยคิดว่าตอนนี้ร่างกายเจ็บอยากจะลุกขึ้นมาทันทีพอเราให้มันพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวมันก็ลืมเรื่องของความเจ็บของร่างกายไปความอยากจะลุกก็หายไป แล้วก็ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากลุกก็หายไปก็จะนั่งเฉยๆได้ไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความเจ็บของนั่งกายมันจะหายไม่หายก็ไม่เป็นปัญหาอยู่กับมันได้ถ้าเราสามารถดึงใจให้ออกจากความคิดถึงเรื่องของความอยากจะลุกได้นั่นเองดึงใจไม่ให้มันได้คิดอยากจะลุกให้มันคิดอยู่แต่คำว่าพุโทโธพุทโธไป ถ้าอยู่กับพูดโธเป็นทัพพังเดี๋ยวมันลืมนะมันลืมเรื่องที่เคยคิดมาก่อนนี่เคยคิดอยากจะลุกมันก็ลืมไปไม่คิดพอมันไม่คิดอยากจะลุกความรู้สึกทุกข์ที่เกิดจากความอยากจะลุกมันก็หายไปก็ทำใหอ้อยู่กับความเจ็บได้เนี่ยความเจ็บมันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสเหมือนอย่างที่เราคิดกันเหมือนกับตอนที่เราไปหาหมอนี่ หมอบอกเดี๋ยวต้องฉีดยาให้เนี่ยยังไม่ทันฉีดเลยเนี่ยใจมันทุกไปก่อนแล้วใจมันเจ็บไปก่อนนะแต่พอเวลาหมอฉีดครับจริงๆมันเจ็บไหก็นิดเดียวเหมือนยุงกัดแปบ๊บเดียวนะแต่ใจมันไม่ยอมเฉยใจมันเกิดความกลัวขึ้นมากลัวความเจ็บอยากให้อยากให้ไม่เจ็บขึ้นมามันก็เลยทุกขึ้นมาก่อนทั้งทงที่เข็มยังไม่ได ถูกเนื้อเลยไม่ได้ถูกร่างกายเลยเพียงแต่หมอพูดเท่านั้นเองว่าเดี๋ยวต้องฉีดยาให้หน่อยนี่คือแต่ถ้าเราเป็นคนที่รู้จักควบคุมใจมีสติว่ามันจะแสะดงอาการทุกข์ขึ้นมาเราก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าเราใช้พุโทโธใช้สติในการทำใจให้เฉยก็ใช้ไปก่อน มันมีสองระดับนีระดับแรกก็ระดับง่ายก็คือสติเนี่ยเพียงแต่ให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าให้ใจไปคิดถึงหมอคิดถึงเข็มคิดถึงอะไรที่จะทำให้เราทุกข์เท่านั้นเองพอเราไม่คิดถึงมันเราก็ไม่ทุกข์เหมือนกับตอนที่ไปหาหมอใหม่ๆก็ไม่รู้สึกทุกข์อะไรเพราะยังไม่ได้คิดถึงเรื่องเข็มฉีดยา แต่พอหมอบอกจะฉีดยาท่านทุกขึ้นมาทันทีต่มันทุกข์ที่ใจเหตุการณ์ที่ร่างกายยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นร่างกายยังไม่ถูกเข็มแต่ใจทุกข์ไปก่อนนะเพราอใจเรามันมีความลักชังกลัวหลงอยู่ตลอดเวลาพอได้ยินเรื่องอะไรนี้เกิดความลักชังกลัวหลงขึ้นมาทันทีเห็นเราต้องมาฝึกใจให้มันเป็นกลาง ให้มันไม่มีความรักชังกลงัวหลงถ้ามันรักชังกลัวหลงเมื่อไหร่แล้วก็ต้องรีบหยุดมันด้วยพุทโธพุทโธไปพุทโธพุทโธอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เกิดความรักชังกลัวหลงขึ้นมาแล้วความรักชังกลัวหลงนั่นก็จะสงบตัวไปนันนี่คือวิธีแรกในการที่จะทําใจให้เป็นอุเบกขาทาใจให้วางเฉยกับ เหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบ ก, กับจิตใจเหตุการณ์ต่างๆนี้ไม่สามารถทำอันตรายกับจิตใจได้มีจิตใจที่ทำลายตัวเองสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองด้วยความรักชังกลัวหลงนี้อพอเห็นอะไรชังก็กลัวโกรธขึ้นมาเห็นอะไรรักก็อยากได้ขึ้นมาเห็นอะไรน่ากลัวก็กลัวขึ้นมา แต่ถ้ามีสตินี่เราสามารถดึงมันกลับให้มาอยู่ที่อุเบกขาได้พอมันจะออกจากอุเบกขาไปก็ใช้สติดึงกลับเข้ามาแต่เบื้องต้นต้องดึงมันเข้าไปที่อุเบกขาก่นอนเพราะตอนนี้มันไม่รู้จักอุเบกขาคนที่ไม่เคยปฏิบัตินั่งสมาธินี้จะไม่รู้จักอุเบกขาว่าเป็นยางไรเหมือนคนที่ขับรถที่ไม่เคยใช้เกียร์ว่างไม่รู้ว่าเกียร์ว่างอยู่ตรงไหน รู้แต่เกียร์เดินหน้าถอยหลังต้องมาหาเกียร์ว่างให้เจอเกียร์ว่างของใจก็คืออุเบกขานี่เองผู้ที่จะดึงใจให้เข้าเกียร์ว่างได้ก็มีสองคนสองอันคือสติอันหนึ่งแล้วก็ปัญญาอันหนึ่งถ้าสติก็ดึงเข้าเป็นครั้งเป็นคราวดึงเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวสติปล่อยปับ๊บมันก็กลับออกไปใหม่ออกไปรักไปชังไปกลัวไปหลงใหม่ ถ้าอยากจะให้มันไม่ออกไปเลยนี่ไม่รักไม่ชังไม่โกวไม่หลงอย่างถาวรนี่มันต้องใช้ปัญญาปัญญาก็คือเนี่ยสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรมาน ต, ตานี่คือให้เห็นไตรลักษณ์เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีทั้งดีมีทั้งไม่ดี เราไปว่ามันเองว่าดีไม่ดีมันไม่ได้ว่ามันดีหรือไม่ดีมันก็เป็นไปกลางวันกลางคืนมันไปว่ามันดีไม่ดีหรือเปล่ามันไม่ได้ว่ามันดีหรือไม่ดีมันก็เป็นของมันไปอากาศหนาอากาศร้อนมันก็เป็นของมันไปเราไปว่ามันต่างหากไปว่ามันดีไม่ดีเพราะความรักความชังของเรานี่ถ้าเราไม่รักไม่ชังแล้วเราก็จะไม่ไปว่ามันดีหรือไม่ดี แล้วก็มันก็จะเป็นของมันอย่างนั้น <Dub> ม <bing. S 2> mm ันเป็นอย่างนั้นมันเป็นของมันมันเป็นธรรมชาติมันเป็นอนัตตาเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้เวลามันหนาวจะสั่งให้มันร้อนไม่ได้เวลามันร้อนจะไปสั่งให้มันหนาวไม่ได้เวลามันแรงจะไปสั่งให้ฝนมันตกไม่ได้เวลาฝนมันตกน้ำเท่วมจะสั่งให้มันหยุดก็ไม่ได้ทุกอย่างมันเป็นอนัตตา ถ้าเห็นด้วยปัญญามันก็ต้องปล่อยวางเพียงอย่างเดียวเพราะว่าไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งไปห้ามแล้วก็ไม่ได้ดังใจหมายกลับเสียใจไปสั่งให้เสียเวลาทาไมไปสั่งให้ทุกข์ใจไปเปล่าๆทาไมาใครเห็นสัพเพ昙นตาตาแล้วก็ปล่อยหมดทุกอย่างร่างกายนี้ก็สัพเพ昙นตาตา เดี๋ยวมันก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟร่างกายของคนอื่นก็สัพเพธรรมานตตาไม่ว่าจะเป็นของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของสามีของภรรยาของบุตรของธิดาเดี๋ยวมันกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟทั้งหมดสัพเพธรรมานตตานี่อนิจจาเดี๋ยวมันก็แก่เจ็บตายไปด้วยกันทุกคนแต่มันจะไม่ทําให้ใจเราทุกข์ถ้าเรามีปัญญา เพราะเราจะไม่เกิดความอยากให้มันไม่เป็นความอยากเกิดจากการอยากให้มันไม่เป็นอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอมันแก่มันก็เลยทุกข์ขึ้นมาพอมันเจ็บก็เลยทุกข์ขึ้นมาพอมันตายก็เลยทุกข์ขึ้นมาเท่านั้นเองถ้ามีปัญญาแล้วใจจะเป็นอุบเบกขาอย่างถาวรเห็นอะไรสัมผัสกับอะไรเฉยตลอดเวลา ไม่วุ่นวายใจไม่เดือดร้อนใครชมก็เฉยใครด่าก็เฉยใครกลั่นแกล้งก็เฉยใครช่วยเหลือก็เฉยแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความกระตันอยู่หรืออะไรมีอยู่แต่ใจเฉยไม่ได้ไปยินดียิน้ายเขาช่วยก็เรื่องของเขาเป็นบุญของเขาเป็นความเมตตาของเขาเราก็ สำนึกในบุญคุณของเขาถ้าเรามีโอกาสตอบแทนบุญคุณให้เขาได้เราก็ตอบแทนเขาไปแต่ถ้าเขาไม่ช่วยเราก็ไม่เสียใจไม่เดือดร้อนอยู่ตามมีตามเกิดไปจนกว่าจะอยู่ไม่ได้ไม่ช้าก็แล้วก็ต้องอยู่ไม่ได้ด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะมีมากมีน้อย อย่าเป็นใหญ่เป็นโตหรือไม่เป็นใหญ่เป็นโตเดี๋ยวมันก็ไปสู่จุดเดียวกันทั้งคนไปสู่สุสานไปสู่เมนเนี่ยน่ะคือที่ไปของสัพเพสังขาร า, านิจาร่างกายนี่ก็เป็นสังขารพวกเครื่องใช้ไม้สอยก็มีสุสานของเขาคืออะไรกองขยะของทุกอย่างที่เราใช้กันนี่เดี๋ยวมันก็ไปที่สุสานของมัน ไปที่กองขยะเต็มไปหมดของต่างๆที่เราผลิตมานี่มันไม่มีอันไหนที่ผลิตมาแล้วใช้ไปได้ตลอดชีวิตใช้ไปได้ไม่กี่ปีต้องทิ้งแล้วใช้ไม่ได้แล้วเสียแล้วขยะเต็มไปหมดเนี๋ยนีสสารสุสารของข้าวของนี่มันจะเยอะกว่าสุสานของคนอีกสมัยก่อนสุสานของของขอ ง, ของเครื่องใช้ไม่สอยมีน้อย สมัยโบราณเขาไม่ค่อยได้ใช้ของกันเขาใช้ของธรรมชาติมันก็เน่าเปื่อยกลับเกินสูดดินน้ำลมไฟไม่ต้องเอาไปกองในสุสานกันใช้ใบตองสมัยก่อนไม่มีกระดาษจะห่ออะไรก็ห่อด้วยใบยตองใบตองเดี๋ยวพอใช้เสร็จทิ้งมันไปไม่กี่วันมันก็แห้งมันก็เปื่อยมันก็กลายกลับไปเป็นดิน สุสารของวัตถุเข้าของไม่มากเหมือนสมัยนี้สมัยนี้มากจนตั้งตอนนี้เริ่มรณรงค์แล้วว่าให้ยุติอใช้ของกันดีไหมเนี่ยถุงพลาสติกเนี่ยหลอดพลาสติกเนี่ยมันเต็มไปหมดแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะไปขวางทางเดินของน้ํนานําทานเอถ้าลงไปในทะเลเดี๋ยวสัตว์ไม่รู้อีโน่ยเนี่ยไปกินก็ตายกัน ทำลายระบบในเวศระบบธรรมชาติกันนะนี่คือการอยู่แบบไม่มีอุเบกขามันจะอยู่แบบนี้อยู่ด้วยการบริโภคเพราะมันหิวมันหิวกับรูปเสียงกลิ่นนสดต่างๆก็เลยผลิตรูปเสียงกลิ่นรสดต่างๆขึ้นมาด้วยวัตถุชนิดต่างๆที่ไม่ย่อยสลายพอใช้แล้วมันเสียก็ไปทิ้งไว้ในกองขยะแล้วกองขยะพอมัน ไปอยู่ในกองขยะแล้วมันก็เริ่มเกิดอาการเสียขึ้นมาสิ่งที่เป็นพิษมันก็ไหลออกมาไหลลงไปสู่ในระบบน้ำในบาดานอีกไปทำให้ระบบน้ำต่อไปก็กินไม่ได้กันอีกเนี่ยมนุษย์เรากำลังฆ่าตัวเองกันอนาคตของลูกหลานนี่มันจะเจอแต่ควันพิษสารพิษต่างๆเต็มไปหมด าะความไม่มีอุเบกขาถ้ามีอุเบกขาแล้วมันไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับใจใจมีความสุขจากการมีอุเบกขาไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสดูพวกที่เขามีอุเบกขาเนี่ยดูพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านมีอะไรกันท่านอยู่ที่ไหนกันท่านอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามถ้ำเนี่ย ท่านมีไม่ต้องดูทีวีไม่ต้องฟังเพลงไม่ต้องไปที่นั่นไปที่นี่ท่านมีอุเบกขามีความสุขในตัวอยู่ในตัวเลยไม่ต้องไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ พวกที่ยังไม่มีอุเบกขาไม่มีความสุขในตัวก็เลยต้องหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเสื้อผ้าก็ต้องมีสีมีสารมีรูปมีแบบมีเครื่องประดับนาน า, นาประการประดับไปทำไมมันได้อะไรขึ้นมามันไม่ได้ไปทำให้ร่างกายมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็ใส่ไปอย่างนั้นใส่เพื่อความรู้สึก ให้เกิดความรู้สึกสุขขึ้นมาเวลาที่ได้เห็นของสวยๆงามๆเท่านั้นเองแต่มันก็มาผลิตมันมาสร้างปัญหาต่างๆตามมาอย่างอย่างไม่มีวันหยุดเนี่ยถ้ามีความสงบมีความสุขใจแล้วไม่หาหรอกรูปเสียงกลิ่นลดอยู่กับความสุขอยู่กับความสงบ เป็นความสงบที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือสุขที่เกิดจากความสงบนะนัตถิสันติปรังสุขขั ง, งการที่เรามาฝึกจิตมาทำจิตให้เป็นอุเบกขานี่เราจะได้กำไรหลายอย่างด้วยกันเราจะได้ยุติความทุกข์ต่างๆที่เราต้องที่เกิดจากเราไปสร้างมันขึ้นมาเวลาเราไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆ ที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะไม่ทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสผดถธพระชนิดต่างๆที่เข้ามากระทบ ก, กับร่างกายใจเราจะสัตว์แต่ว่ารู้รู้เฉยๆเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนคนที่มีปัญญาคนฉลาดเนี่ยอยากจะขอฟังทมแบบง่ายๆแบบสรุปพระพุทธเจ้าตอนนั้นกำลังบินทบาทอยู่ ชายคนนี้ศรัทธาอยากจะฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกตอนนี้ไม่ใช่เวลาเขาก็ยืนยันขอร้องให้ได้โปรดแสดงโดยโดยสรุปโดยย่อก็ได้พระพุทธเจ้าก็แสดงโดยสรุปเธอเห็นอะไรก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินรู้อะไรก็สักแต่ว่ารู้เท่านั้นเอง คือให้เป็นอุเบกขานั่นเองให้รู้เฉยๆให้เห็นเฉยๆได้ยินเฉยๆไม่ใช่ได้ยินแล้วก็ดีใจเสียใจกับการที่ได้ยินเห็นอะไรก็ดีใจเสียใจกับการเห็นรู้อะไรก็ดีใจกับความดีใจเสียใจกับความรู้ความเห็นแสดงว่าใจไม่มีอุเบกขาถ้าไปดีใจเสียใจเพราะมีรักมีชังนั่นเอง ดีใจกับสิ่งที่รักเสียใจกับสิ่งที่เฉาเนี่ยนี่คือคนมีปรรัญญาฟังอันนี้ก็บรรลุได้นะเนี่ยเนี่ยบรรลุเร็วถ้าอยากบรรลุเร็วเนี่ยเอาเอาคําสอนนี้ไปไปตีให้มันแตกดูดูที่ว่าจะบรรลุได้ไหมเนี่ยแค่นี้เขาก็บรรลุเป็นผ้าหลานได้แลเนี่ยชายคนนี้พอฟังเสร็จก็เกิดศรัทธาขอบวชขอเลยขอลาไปเตรียมเตรียมตัวบวช พอดีถึงข่าวที่ยาต้องตายมึงไปถูกกระทิงขิดตายพอพระพุทธเจ้าทราบข่าวก็เลยสั่งให้เขาหลังจากชาปนากิจแล้วให้เก็บอัฐิไว้ในพระเจดีย์ทำสถูบบรรจุไว้การที่จะเอากระดูกของคนไปบรรจุในสถูบนี้ต้องแสดงว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระประัิเยพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอาหารหันต์หรือเป็นพระมาหาจากักรพรรดินั้น ที่เขาจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเป็นอนุสร์เตือนใจของอนุชนนุ่นหนังว่าบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่ประเสริฐบุคคลที่ไม่ใช่ธรรมดาคนที่จะเป็นมหาจักรพรรดิได้นี่ไม่ใช่ธรรมดาเป็นผู้ที่มีความกล้าขารมีความสามารถที่จะนาลบเอาชนะข้าศึกของหลายประเทศได้มารวบรวมเป็นเป็น เป็นอันเดียวกันได้นต้องมีความสามารถมากเขาจึงยกย่องมาหาจากักรพรรดิคนที่เป็นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์พระประเจก้าพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่เหนือมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ที่เอาชนะกิเลสได้เป็นผู้ที่กําจัดความโลภความโกรธความหลงได้เป็นผู้ที่ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้บุคคลเหล่านี้จึงต้องมีอนิสรอนุสรสถาน ไว้ให้อนุชนนุ่นหลังอย่างพวกเราเวลามาเกิดจะได้เห็นจะได้เรียนรู้ว่าเอ๊ะทาไมเขาต้องมีเจดีย์ในเจดีย์เขาบรรจุอะไรไว้บรรจุ ก, กระดูกทำไมต้องบรรจุกระดูกกระดูกของคนนี้เขาตากับกระดูกของคนอื่นคือไม่ย่อยสลายกลายเป็นธาตุไปกลายเป็นหินไปนี่อันนี้เป็น เป็นเป็นผลที่เกิดจากมีปัญญาอันแหลมคมฉลาดแหลมคมเพียงแต่ฟังทำโดยสรุปโดยยอ่อเห็นอะไรให้สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรให้สักแต่ว่าได้ยินรู้อะไรให้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นก็บรรลุธรรมได้นล้วใจไม่ไปวุ่นวายกับสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้รู้เฉยๆเรื่งเรานี่ไม่เฉยใช่ไหมพอได้ยินได้ฟังอะไรโอ้ย โจทย์วิาพาก์วิจารกันทั่วโลกเลยนะส่งไปส่งข้อความไปแชร์กันใหญ่คนไกลพูดอะไรคําเดียวนี้โอ้แชร์กันไปทั่วโลกมันไม่เฉยกันเนี้ยโลกของเรามันไม่เฉยว่าดูก็ดูที่ไอ้นี่ไอ้ดูที่ในสื่ออินเทอร์เน็ตทั้งหลายเนี่ยมันแสดงความไม่เฉยของใจของคนนะพอได้ยินอะไรไม่ถูกใจก็ด่ากันไปยาวเลย อ๋อได้ยินอะไรชอบใจก็กดชอบไปเลยแชร์กันมั้ยนี่แสดงว่าโลกนี้มันคนมีโอเบคขาน้อยถ้ามีโอเบคขาจะไม่มีการแชร์ไม่มีการวิพากษวิจารณ์รู้แล้วก็ผ่ า, ผานปล่อยมันผ่านไปเห็นอะไรแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปไม่ใช่เรื่องของเราอะ่ะทําไมต้องไปวิพากวิจารณ์ไปมีบทมีบาศไปเกี่ยวข้องกับเขาทําไมแล้วก็ไปวุ่นวายใจกับเขา ดีไม่ดีก็ทุกข์ใจเวลามันย้อนกลับมาหาเราเวลาเขากลับมาด่าเราทีนี้ก็เดือดร้อนนั่นเองนี่คือใจไม่เป็นอุเบกขาเนี่ยต้องมาฝึกใจให้เป็นอุเบกขามีสองวิธีวิธีแรกก็สตินี่จะใช้สติได้ง่ยากง่ายก็อยู่ที่เนี้ยมีกิเลสตัณหามากน้อยอถ้ามีนิวรณ์มากมันก็มีอุปสรรคมาก ก็จะทำให้ยากแต่ถ้ายากไงมันก็สู้สติไม่ได้ขอให้เราเชื่อสติขอให้เรายึดสติเป็นเป็นตัวลุยเป็นหัวหอกพุทโธพุทโธไปคำเดียวเนี่ยลองหัดท่องพุทโธไปทั้งวันดูสักทีเนี่ยเราจะเห็นผลอย่างที่ไม่น่าเชื่อมาก่อนว่าใจที่วุ่นวายนี้สามารถหยุดได้อย่างง่ายดายโดยคำบริกรรมพุทโธเพียงไม่กี่นาทีด้านเอง โกรธใครขึ้นมาปั๊บพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวเดียวก็สงบเสียใจพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวเดียวก็หายเสียใจแต่มันหายเป็นช่วข่าวพอหยุดพุทโธพอไปคิดถึงเรื่องเสียใจเดี๋ยวก็เสียใจใหม่ได้แต่ถ้าใช้ปัญญานี้พอหยุดแล้วหยุดเลยถึงแม้จะกลับไปคิดถึงเรื่องเสียใจที่ทำให้เสียใจก็ไม่เสียใจแล้ว พระเข้าใจแล้วว่าที่เสียใจเพราะาเราไปอยากไปเปลี่ยนเขาไปอยากให้เขาเป็นนามตามที่เราอยากได้แต่เราทําให้เขาเป็นไม่ได้เพราะเขาไม่ได้อยู่อยู่ภายใต้อํานาจของเราเขาเป็นอนัตตาดงนั้นถึงแม้จะกลับไปเจอเรื่องที่ทําให้เราเสียใจก็ไม่เสียใจแล้วเพราะเราไม่มีความอยากไปเปลี่ยนเขาแล้วใครเขาด่าเราตอนต้นเสียใจพอมาใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็ห้ามเขาไม่ได้ปากของเขาะ ก็ปล่อยก็ด่าไปสิยินดีให้เขาด่ามันก็ไม่เสียใจนะมันก็สบายใจเอวันไหนไม่ได้ยินมันด่าแล้วรู้สึกขาดขาดอะไรพอได้ยินแล้วเออชีวิตค่อยมีน้ำมีเนื้อหน่อยมีรถมีชาติหน่อยมันก็ไม่เดือดร้อนพอมีปัญญาแล้วมันเห็นทุกอย่างเป็นอนัตตาแล้วมันเฉยให้หมดนะมันปล่อยวางได้หมดใครจะด่าก็เฉยใครจะชมก็เฉยเอ ใครจะให้อะไรมาก็เฉยใครจะขมโมยอะไรไปก็เฉยถ้ามันจะไปก็ห้ามมันไม่ได้อย่าทำไงมันไปแล้วมาวุ่นวายใจก็เสียสองเด้งเสียของแล้วต้องมาเสียใจอกีกทำไมก็เสียเด้งเดียวก็พอเสียของเพราะมันจะไงก็ต้องเสียเกิดมามาตัวเปล่าๆมีอะไรติดตัวมาหรือเปล่าเวลาไปมีอะไรติดตัวไปหรือเปล่า ไม่มีอะไรติดตัวไปแล้วไปเสียใจทำไมไปเสียดายทำไมกับของที่มันต้องเสียอยู่ดีเพราะไม่มีปัญญาไม่คิดถึงอนิจนาานน จ, นจังทุกขังอนัตตานั่นเองถ้าถ้าเข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตต์แสดงว่ามีปัญญาแหลมคมพอพูดแค่นี้ก็ปล่อยวางได้หมดไม่ทุกข์กับอะไรอีกต่อไป ถ้ายังไม่มีปัญญาก็ต้องใช้สติไปก่อนพุโทโธพุธโทโธควบคุมความคิดควบคุมความอยากไปชั่วครัง้งชั่วคราวก่อนแล้วต่อไปก็ค่อยมาสอนทางปัญญาแล้วต่อไปก็จะสามารถบรรลุธรรมได้คนเราเจองปฏิบัติยากปฏิบัติง่ายบรรลุธรรมชา้าหรือเร็วก็อยู่ที่สติและปัญญาของแต่ละคนอยู่ที่กิเลสตัณหาของแต่ละคนว่ามีมากมีน้อยเท่านั้นเองก็คิดว่า ขอสรุปไว้เพียงเท่านี้การแสดงก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร อ, อยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสะครังเอวะเมวะอิโตทินงังเปตานาังอุปกาปติอิชิตังปัทิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจจตุ สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพารโขวินาสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีคาโยโกภวะ อาพิวาทนสีริสะนิจังวุธาปจายโนจตารโรธมรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลางต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรฟังแล้วยังไม่เข้าใจ ปัญญายังทึบอยู่ก็ตอนนี้ก็ทำให้เดี๋ยวจะพูดอย่างนี้เดี๋ยวไม่กล้าถามกนะันอาว่าเราโง่เนี่ยวา่าไม่โง่หรอกธรรมะมันเป็นของยากเดี๋ยวมันต้องใช้เวลานั่งคิดก่อนบางที่คิดแล้วยังไม่ได้ถามได้ไม่น่าไม่น่าอับอายขายหน้าคนที่รู้ว่าตัวเองยังโง่อยู่นี่ยังฉลาดได้แต่คนที่คิดว่าตนเองฉลาดแล้วนี่ไม่มีทางที่จะฉลาดได้ เป็นคนโง่ที่แท้จริงนะถ้ายังมีกิเลสอยู่นี่ยังแสดงว่าโง่อยู่ถึงแม้จะคิดว่าตัวเองฉลาดจบปริญญาเอกมาก็ตามถ้ายังมีกิเลสโลภะกอดหลงยังทกข์ยังร้องหม่มร้องไห้ได้อยู่นี้แสดงว่ายังโง่อยู่อันนี้อถ้าถามไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่ถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวเดี๋ยวเลิกแล้วก็จะงดถาม วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ค่ะวันนี้จากเฟ e b o o ก409ย t u b บ331วิทีโออนไลน์21ผู้รับฟังวันนี้31รวม792ท่านค่ะวันนี้สัญญาณดีนะไม่ขาดน ะ, ค, ะคนเข้ามาเยอะคำถาม คำถามจากผู้รับฟังวันนี้นะคะพระโสดาบันนี้ต้องแยกธาตุแยกขันธ์ก่อนใช่ไหมครับถึงจะเป็นพระโสดาบันได้แล้วสภาวะแยกธาตุแยกขันธ์นี้มีสภาวะอย่างไรครับก็เรียว่าใจกับร่างกายเป็นคนละคนกันใจเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายเป็นอะไรอย่าไปคิดว่าเป็นใจใจอย่าไปคิดว่าตนเองเป็นร่างกาย ใจเป็นผู้รู้ผู้คิดนั่นั้นไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายเป็นอะไรก็พิจารณาให้เห็นว่าเป็นตายลับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ปล่อยวางมันรักษาได้ก็รักษาไปกินได้ก็กินไปเมื่อรักษาไม่ได้กินไม่ได้หายใจไม่ได้ก็ก็ปล่อยมันตายไป เพราะไปห้ามมันไม่ได้เป็นสั่งมันไม่ได้ให้หายใจไว้หายใจไว้สิเมื่อมันไม่ยอมหายใจยังไปสั่งให้มันหายใจได้ยงไหมก็ปล่อยมันไปมันไม่หายใจก็ไม่ไปเมื่อไม่ยอมกินก็ไม่ต้องกินแค่ทานั้นเองเพราะมันไม่ใช่เราอะเราเป็นเจ้านายมันนะเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดผู้คอยสั่งให้ร่างกายพาเราไปไหนมาไหนนี่เอง เนี่ยวันนี้เราก็สั่งให้ร่างกายพาให้เรามาที่นี่เดี๋ยวต่อไปมันบอกว่ามันขี้เกียจมาเมืม่อยอมมาก็มาไม่ได้มันมันจะขอนอนมันไม่มีแรงเมื่อมันไม่มาไม่ได้ก็ต้องตามใจมันจะไปไปทํายังไงมันได้นี่คือโสดาบันคือปล่อยวางร่างกายได้ไม่ทุกข์กับ ร่างกายไม่ทุกข์กับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี่ก็แยกธาตุญาติขันแล้วธาตุขันก็คือร่างกายใจก็คือเป็นผู้แยกว่าไม่ใช่เป็นใจคําถามจากคุณชัยชนะบาปบุญมีจริงหรือไม่ครับพระพุทธเจ้าบอกว่ามีจริงเลย ทำบุญก็ไปสวรรค์ทำบาปก็ไปอบายนี่คือความรู้ที่พระเจ้าทรงตัดสร้น<ม>เป็นของจริงคำถามจากคุณประสันเวลาทำสมาธิเสร็จแล้วออกมาสักพักทำงานหรือพบผู้คนที่มีคำพูดทำไมโทสะถึงมากและแรงจังครับเพราะเราไม่รักษาสติปปล่อยให้ใจคิด ปล่อยให้ใจรักชังกลงัวลงตามนิสัยเดิมถ้าออกมายงังคอยคุมมันอยู่คอยพุโทโธพุโทโธอยู่เวลาเจอใครก็คอยระมัดระวังอย่าให้มันเกิดอารมณ์ขึ้นมาพอเกิดอารมณ์ก็ต้องพุโทโธพุโทโธไว้ดึงมันไว้เหมือนหมาเนี่ยพอเอามาออกจากกรงก็ต้องใช้เชือกผูกคอมันไว้ไม่ใช่พอปล่อยออกมาจากกรงก็ปล่อยมันวิ่ง เดี๋ยวมันเจอใครมันก็กัดเอานะอันนี้ก็เหมือนการใจเราเป็นเหมือนหมาตอนจับมันอยู่ในกรงมันก็ดิ้นไม่ได้มันก็เรียบร้อยนิ่งสงบแต่พอออกจากสมาธิมาเราปล่อยมันเลยเราไม่ไปพุไม่ไปเอาเชือกไปเอาสายรัดคอไว้คอยคุมมันไว้ พอปล่อยมันมันเจออะไรมันก็กัดมันก็เห่าไปตามภาษาของมันเพราะฉะนั้นเวลาออกจากสมาธิแล้วยังทิ้งสติไม่ได้สติต้องมีตลอดเวลาสตินี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่จําเป็นในทุกกรณีเฉะนั้นพอออกจากสมาธิมาก็ต้องพุโทโธต่อถ้ามันเริ่มมีอารมณ์รักชังโกรลงขึ้นมาก็ต้องหยุดมันคําถามจากคุณชุติมา ใช้การเตือนหรือคิดเรื่องความตายอยู่เสมอว่าร่างเน่าๆ น, นี้อีกไม่นานก็ตายเราทำประโยชน์กับร่างเราแล้วหรือยังว่าเรามัวแต่รักตัวเราทั้งที่ไม่มีอะไรน่ารักเลยรู้ตัวหรือยังว่าเราหลงกับร่างนี้ว่าเป็นเราตายไปแล้วหายไปไหนคิดแค่นี้ไม่น่าจะเข้าใจยากเลยใช้การใช้การคุยแบบนี้กับตัวเองบ่อยๆได้หรือไม่เจ้าคะก็ดูจะปล่อยวางได้หรือไม่ ถ้าคุยแล้วถึงเวลาก็ไม่ปล่อยมันก็ใช้ไม่ได้ให้คิดเพื่อให้ปล่อยให้คิดว่ามันต้องไปมันไม่ใช่ของเรามันเป็นเหมือนคนรับใช้เราเดี๋ยวถึงเวลาเขาขอลาออกจากงานก็ปล่อยเขาลาไปเราต้องหัดอยู่แบบไม่ต้องใช้เขาให้ได้ทานั้นถึงจะปล่อยได้ถ้าเรายังต้องอาศัยเขาอยู่ก็ปล่อยไม่ได้แต่ยังต้องอาศัยเขาหาความสุขพาเราไปกินไปดิมไป ด, ไปดูไปฟังไปเที่ยวอยู่ พูดยังไงมันก็หลอกตัวเองไปอย่างนั้นเองถึงเพราะการกระทํากับการพูดเป็นคนละเรื่องกันถ้ารู้ว่ามันจะต้องตายเราก็ต้องอย่าไปใช้มันสิอย่าไปอาศัยมันถ้ายังอาศัยมันยังให้มันพาเราไปเที่ยวไปกินไปดื่มอยู่มันก็มันก็พูดไปก็ร้ไร้บ่อยมันไม่เกิดประโยชน์เพราะใจปากปากกับปากกับความจริงมันไม่ตรงกัน เหมือนแม่ปูสอนให้ลูกปูเดินตรงๆเดี๋ยวเราเวลาแม่ปูเดินนี่ก็เฉไปเฉมาอันนี้เราก็บอกให้ร่างกายมันต้องต้องตายมันไม่มีสาระแก่นสารเลยไปทําอะไรกับมันไปใช้มันทําไมแต่ก็ยังใช้มันอยู่ยังอดที่จะดูละครไม่ได้ยังอยากจะฟังเพลงไม่ได้ยังอยากจะดื่มกาแฟกินขนมไม่ได้ไมั่ก็ยังต้องใช้ร่างกายอยูนะ่พอยังใช้อยู่พอเดี๋ยวกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาก็วุ่นวายใจขึ้นมานเนี่ย ปล่อยยังปล่อยไม่ได้ต้องหยุดกิจกรรมทางนั่งกายให้หมดกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายยกเว้นการกินเพื่อรักษาชีวิตเท่านั้นเองแต่ไม่ได้กินเพื่อความสุขสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสยุติด้วยเปลี่ยนวิธีหาความสุขมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบอันนี้นะถึงจะเป็นของจริงอันนี้นั่งพูดนั่งคิดนั่งเดาไไม่มีประโยชน์หรอกกิเลสมันไม่กลัวหรอก พอถึงเวลาก็คว้าร่างกายไปทำนู่นทานี่เหมือนเดิมต้องต้องหยุดต้องเข้าสมาธิต้องมีความสุขจากความสงบทีนี้มันก็จะได้เลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้คำถามฝากถามนะคะมีคนพูดว่าสติควบคุมจิตอันนี้เข้าใจได้คะ่ะแต่จิตควบคุมสติ ได้หรือเปล่าเจ้าคะไม่รู้เหมือนกันยอย่ามาถามให้คำถามบ้าบออย่างเี้ยเลยลองไปปฏิบัติ ด, ดูก็แล้วกันเดี๋ยวก็มาถามว่าจิตเป็นอะไรสติเป็นอะไรวนกันอยู่ในอ่างนั้นน่ะคำถามจากคุณมลิวัน การตั้งพระที่บ้านหันหลังพระออกทิศหน้าบ้านได้ไหมเจ้าคะและ ห, หันยังไงก็ได้มันไม่เกี่ยวกับทิศละมันไม่ได้อยู่ที่คนที่ตั้งพระไว้นี่เพื่อให้คนเรานึกถึงความดีงามของคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าให้มันหันไปทิศไหนหันไปแล้วถ้าไม่นับลึกถึงความดีมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีไว้เป็นเครื่องเตือนสติเป็นเหมือนกระจกเงา เวลาเราเห็นหน้าเราเราจะรู้ว่าหน้าตาเราดีไม่ดีใช่ไหมก่อนเราจะออกนอกบ้านนี่เราต้องดูกระจกกันนะว่าหรือว่าเราแต่งตัวเรียบร้อยไ้ยผมเเ่าเรียบร้อยเปล่าหน้าตาสะอาด ห, หรือเปล่านั่นแหละคือหน้าที่ของพระพุทธรูปมีว่าเราตอนนี้ละบาปหรือเปล่าเราทำบุญหรือเปล่าเราชำละกิเลสหรือเปล่านี่คือหน้าที่ของพระพุทธรูปไม่จาเป็นว่าจะต้องหันไปที่ไหน บ่อยให้พระพุทธรูปนอนก็ได้ท่านจะได้พักผ่อนบ้า <laughs> งคำถามทากคุณพิสนุศา ส, สนาพุทธจะหมดเมื่อ 5,000 ปีแล้วศาสนาอื่นมีพูดไหมครับว่าจะหมดเมื่อไหร่ก็ต้องไปศึกษาของศาสนาเขาสิเราัเราเกี่ยวกับศาสนาเราเราก็รู้แต่ศาสนาเราศาสนาของคนอื่นเขามีการพยากรณ์ไว้หรือไม่เราก็ไม่รู้ อยากจะรู้ก็ต้องไปศึกษาจากศาสนานั้นคำถามจากคุณอรุณรัตโยมตั้งใจมั่นไปปฏิบัติธรรมแต่หัวหน้าไม่เห็นด้วยโยมควรทำอย่างไรดีเจ้าคะก็เรื่องของเขาสิเราเวลาเราไปเที่ยวก็ไม่เห็นด้วยวเราหยุดเที่ยวแบบเราก็ทำตามที่เราต้องการทำถ้ามันไม่ผิดกฎระเบียบของบริษัทไม่ทำให้เราถูกไล่ออกเราก็ทาของเราไปมันไม่เกี่ยวกัน แต่ถ้าผิดกฎผิดระเบียบถ้าเรายังอยากจะอยู่ในบริษัทนั้นเราก็ต้องทําตามกฎตามระเบียบของบริษัทนั้นแต่ถ้าเราอยากจะไปปฏิบัติธรรมแล้วเราไม่สนใจกฎระเบียบแล้วก็ออกไปท่านนั้นเองเอมันอยู่ที่มันเป็นสิทธิ์ของเราเนี่ยเราจะทําอะไรก็ได้หมดแล้วเลยอโอเคอยากทำอะไรไหม